พระสุตตันตปิฎกมัชิมานิกายมูลปัญ น, นาตมูลปริยายาวักหนึ่งมูลปริยายสูตรว่าด้วยสิ่งอันเป็นมูลแห่งธรรมะทั้งปวงหรือสิ่งที่เป็นต้นเดิมเช่นดินน้ำลมไฟในสายตาของปุถุชนและพระอริยะมองและให้ความสำคัญแก่สิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนกัน สัพภาสวะสังวรสูตรว่าด้วยการระมัดระวังอาสวะกิเลสหรือหลักการละอาสวะกิเลสทุกชนิดสธรรมทายาทสูตรว่าด้วยมรดกคือธรรมะและเหล่าสาวกคือผู้รับมรดกธรรมสพยะเพระวะสูตรว่าด้วยอกุศลที่เป็นภัย ทรงเล่าประสบการณ์ของพระพุทธองค์ก่อนตรัสรู้ด้วยห้าอนังคณะสูตรว่าด้วยคนผู้ไม่มีกิเลสเป็นบทสนทนาของพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะหกอาการเค ย, ยะสูตรว่าด้วยผลที่ภิกษุควรหวังเจ็ดวัตถุปะมะสูตร ว่าด้วยอุปกิเลยย้อมจิตดุดผ้าย้อมสีท้ายพระสูตรมีผู้ชวนพระพุทธเจ้าไปอาบน้ำล้างบาปพระองค์ตรัสว่าความบริสุทธิ์มิได้มีด้วยการอาบน้ำ 8. สัสเลขสูตรว่าด้วยวิธีขจัดกิเลสเพียงแต่คิดในกุศ ล, ลธรรมยังมีคุณค่ามากไม่ต้องกล่าวถึงการลงมือทําก้ สัมมาทิฏฐิสูตรว่าด้วยความเห็นถูกต้องเป็นเทศนาของพระสาวรีบุตรชี้ความเห็นถูกต้องส5บห้าใน 10. สติปทานสูตรว่าด้วยการตั้งสติสี่อย่างเช่นเดียวกับมหาสติปทานสูตรในเล่มที่สิบสีหนาทวัตสิบเอ็ด จุลสีหนาทะสูตรว่าด้วยการบรรลือสีหนาฏสูตรเล็กตรัสว่าพระอริยบุคคลสี่จำพวกมีเฉพาะในธรรมวินัยนี้เท่านั้นสิบสองมหาสีหนาทะสูตรว่าด้วยการบรรลือสีหนาฏขนาดใหญ่พูดถึงตถาคตพละสิบเวสารัชสีบริสัท8กำเนิดสีคติห้า โรมจันทร์สีเป็นต้นสิบสามหาทุกขกขันธสูตรว่าด้วยกองทุกขสูตรใหญ่เน้นโทษของกามคุณสิบสจุลทุกขกขันธสูตรว่าด้วยกองทุกสูตรเล็กเช่นเดียวกับสูตรใหญ่สูตรนี้ตรัสสอนมหานามสักยะสิบห้า อนุมาณสูตรเทศนาของพระมหาโมคลานะสอนพระทั้งหลายให้สำรวจตนเอง 16. เจโตขีละสูตรแสดงกิเลสดุจตะปูตอกใจห้าชนิด 17. วานาปตตสูตรคุณและโทษของการอยู่ป่า 18. มะทุปินทิกะสูตร สูตรที่แสดงได้ไพเราะดุดขนมหวานแสดงความสามารถของพระมหากจัจจายณนะที่ขยายความพระพุทธวจนะโดยยอด่อให้พิสดารได้อย่างถูกต้อง1 9เทวทาวิต ก, กสุตรสูตรว่าด้วยความตรึกสองทางคือกุศลวิตกกับอกุศลวิตกการชี้ทางที่ดีให้เดิน เป็นหน้าที่ของพระศาสดาอยู่แล้วนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างจงเพ่งเถิดอย่าประมาทอย่าเดือดร้อนในภายหลังเลยนี่คือคำสอนของเรายี่สิบวิต ก, กสันทา น, นสูตรว่าด้วยที่ตั้งแห่งความคิดหมายถึงให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้ความคิดไปชั่วเกิดขึ้นแล้วละซะ อมปะมักวัก 21. อกกะาจู ป, ปะมะสูตรว่าด้วยวิธีหักห้ามความโกรธให้ทำจิตให้หนักแน่นดุดแผ่นดินแม้ใครจะเอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ถ้าภิกษุโกรธแค้นผู้กระทำก็ไม่นับว่าทำตามคำสอนของพระพุทธองค์ 22. ล่ลอคทูปะมะสูตร สูตรว่าด้วยการเรียนธรรมผิดย่อมมีโทษเหมือนจับงูพิษไม่ระวังอาจถูกแวงกัดได้สูตรนี้เปรียบธรรมะดุดแพรปราบใดที่ยังไม่ข้ามฝั่งแพก็ยังมีความหมายต่อเขาต่อเมื่อข้ามฝั่งแล้วทิ้งแพรได้ฉันใดฉันนั้นพึงละแม้ธรรมะเมื่อบรรุเป้าหมายแล้วยี่สิบสาม วอ ม, มิกสูตรสูตรว่าด้วยการขุดจอมปลวกเป็นสูตรปริศนาธรรมสอนพระกุมารกาัสสะเปรียบร่างกายคนเหมือนจอมปลวกประหลาดกลางคืนเป็นควันกลางวันลุกโลง24พระถวินิจตสูตรบทสนทนาระหว่างพระสารีบุตรกับพระบุญณมันตานีบุตรเปรียบวิสุทธิเจ็ดเหมือนเดินทางด้วยรถเจ็ดพลัด 25. หนิวาประสูตรว่าด้วยการมะคุณเหมือนเหยื่อล่อสัตว์ให้ติด ก, กับดัก 26. ปาสราสิสูตรสูตรว่าด้วยการมะคุณเป็นดุดบ่วงดักสัตว์มีเล่าถึงประวัติของพระพุทธองค์ด้วยพระไตรปิฎกฉบับยุโรปเรียกอริยปริเยสนาสูตร 27. จุลหัตถิปโทปมาสูตร สูดแสดงเปรียบเทียบด้วยรอยเท้าช้างสูดเล็กเห็นรอยเท้าช้างใหญ่ก็อย่าเพิ่งปลงใจว่าเป็นช้างพลายใหญ่จนกว่าจะเห็นด้วยตาตนเองฉันใดเห็นพระพุท ธ, ธเจ้าตรัสรู้ชอบเองก็อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าตนเองได้ปฏิบัติตามพระพุทธ อ, องค์จนตรัสรู้ตามด้วยนั่นแหละจึงควรกลงใจว่าพระพุท ธ, ธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้จริงฉันนั้น 28. มหาหัตถิโท ป, ปมสูตรสูตรเปรียบด้วยรอยเท้าช้างสูตรใหญ่ว่าด้วยธรรมะทั้งหมดรวมลงในอริยสัจ ส, สี่เหมือนรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายรวมลงในรอยเท้าช้างหมดหมายความว่าไม่มีรอยเท้าอะไรจะใหญ่เท่ารอยเท้าช้าง 29. มหาสาวโรปรมสูตรสูตรเปรียบเทียบด้วยแก่นไม้ใหญ่ ลาบสักการะเปรียบกิ่งและใบไม้ความสมบูรณ์ด้วยศีลเปรียบดุดสเก็ตไม้ความสมบูรณ์ด้วยสมาธิเปรียบเหลือกไม้ญาณทัศนะเปรียบดุดกระพีวิมุตติคือความหลุดพ้นเปรียบดุดแก่นไม้ 30. จุลสาโรปรมสูตรสูตรเปรียบแก่นไม้สูตรเล็กคล้ายสูตรข้างตน้น ชี้ว่าควรบวชเพื่อสแสวงหาแก่นแห่งชีวิตให้ได้พระมรร์ น, นี้มีการหลุดพ้นแห่งจิตเป็นแก่นแท้มหายมะกะวัตสาสิบเอ็ดจุลโคสิงคสาละสูตรตรัสสันเสริญพระอนุรุทธะพระนันทิยะพระกิมพิละว่าอยู่ด้วยกันด้วยเมตตาปร า, ารถนาดีต่อกัน มีความเพียรมีคุณธรรมเสมอกันมหาโคสิงคาสารสูตรพระเทราผู้ใหญ่มีพระสาวรีบุตรพระมหาโมคลานะพระมหากัสปะพระอนุรุทธะพระอานนท์สนทนากันว่าป่าเป็นที่สงบสงัดอย่างนี้ควรที่ใครจะอยู่แต่ละท่านก็ยกภิกษุผู้มีคุณสมบัติที่คล้ายตน เมื่อไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าป่านี้เหมาะสำหรับพระที่ยังไม่บรรลุธรรมมานั่งบำเพ็ญสมาธิส3มสามหาโคปาลสูตรสูตรเปรียบเทียบเด็กเลี้ยงโคสูตรใหญ่แสดงลักษณะที่ดีเปรียบด้วยคุณสมบัติเด็กเลี้ยงโคส1บอดประการสาสส จุลโคปาลสูตรสูตรเปรียบเทียบนายโคบาลที่โง่และฉลาดในการพาฝูงโคฆ่าแม่น้ําสมณพราหมณ์ที่ฉลาดพาผู้เชื่อฟังประสบสุขส่วนสมณพราหมณ์ที่โง่พาผู้เชื่อฟังประสบทุกข์35จุลสัจจกาสูตรว่าด้วยบทสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับสัจจะนิคร เรื่องขันห้า36มหาสัจกาสูตรว่าด้วยการอบรมกายอบรมใจพระพุทธองค์ทรงเล่าประวัติของพระองค์ในสูตรนี้ด้วย 37. จุลตันหาสังคยสูตรทรงแสดงเหตุทำให้ตันหาสิ้นไปแก่เท้าสักกะเท้าสักกะทรงเล่าให้พระโมคคัลลานะฟังด้วย 38. มหาตันหาสังขยาสูตรปฏิเสธวิญญาณอมตะแสดงถึงคนเกิดและพัฒนาการอย่างไรบ้างพร้อมทั้งแสดงหลักปฏิจจสมุ ป, ปบาทสามบมหาอาัสาะปุระสูตรแสดงถึงธรรมะที่ทำให้เป็นสมณะและพรามกล่าวถึงนิวรห้าด้วยอุปมาหน้าฟังยิ่ง ส0จุลอัสรปุราสูตรแสดงว่าสมณะที่ดีจะต้องละมวทินของสมณะสิบสองอย่างจุละยะมะกะวกักส1สิบเอดสาเลยกะสูตรกล่าวถึงกุศลละกรรมบทสิบและอกุศลละกรรมบทสิบทำให้ผู้ประพฤติไปสู่สุขคติและทุกคติ เวรัญชสูตรเนื้อหาเช่นเดียวกับสูตรข้างต้นเพียงแต่แสดงต่างสถานที่และแก่ต่างบุคคลเวรัญชพราหมณ์ผู้ฟังเทศนาครั้งนี้เป็นคนเดียวกับที่กล่าวล่วงเกินพระ 43. มหาเวทันลสูตรพระสาริบุตรแสดงแก่พระโกธิตตะเกี่ยวกับการอธิบายหลักธรรมะสำคัญ ในแง่วิชาการลึกซึ้งเช่นเรื่องปัญญาวิญญาณน่าสังเกตว่าในที่นี้ท่านนิยามวิญญาณว่ารู้สุขรู้ทุกข์ต่างจากที่ทั่วไปว่ารู้อารมณ์ 44. จุลเวทันลสูตรพระธรรมตินาเทรีแสดงแก่วิสาขาอุบาสกเรื่องสักกายทิฏฐิ อริยามรรคมีองค์แปดและอื่นๆส่บหจุลธรรมะสมทานสูตรว่าด้วยการประพฤติธรรมสี่อย่างคือสมทานธรรมะที่สุขในปัจจุบันมีทุกเป็นวิบากทุกในปัจจุบันมีทุกเป็นวิบากทุกในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบากและสุขในปัจจุบันมีสุขเป็นวิบาก 46. มหาธรรมสมทานสูตรว่าด้วยการสมทานธรรมะสี่อย่างเช่นข้างตน้นแต่พิสดารกว่าพร้อมยกอุปมาอุปไมให้ชัดเจน 47. วีมังสกัดสูตรสูตรว่าด้วยการวิภาคหรือสอบสวนส่งเปิดโอกาสให้สาวกสอบสวนแม้กระทั่งพระพุทธองค์เองว่ามีข้อบวกพร่องหรือไม่ ไม่ให้ติดศาสดาพึงเปรียบเทียบกับอีกสูตรหนึ่งที่คล้ายกันคือปวารณาสูตรสี่สิบแปดโกสัมพิยาสูตรแสดงสารานิยธรรมและญาณอันเป็นอริยเจ็ดประการแก่ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีหลังจากระงับการทะเลาะครั้งใหญ่ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา 49. เกพรมนิมันตนิกสูตรสูตรว่าด้วยการโปรดพกาพรหมให้สละทิฏฐิผิดห0มารัตชนียสูตรว่าด้วยพระมหาโมคลานะปราบมารที่คอยมาแกล้ง